พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่28โดยหลวงพ่อยินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่9ธันวาคม2554มีชื่อเรื่องว่าเริ่มต้นด้วยสติสัมปชัญญะวันนี้เป็นวันปงนะ วันพรุ่งนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งวันเป็นวันปงผมหรือวันนี้หลวงพ่อไปธุระจังหวัดกาญจนบุรีไปเยี่ยมหมู่พวกเพื่อนไปฉลองพัยดยศอาจารย์ภูสิทธิ์อาจารย์จัน วัดเสือวัดหลวงตาบัวกับมีหมู่พวกเพื่อนไปไล่องนิมนต์หลวงพ่อไปนิมนต์หลวงพ่อไปเทศหลวงพ่อก็เลยแสดงธรรมเทศอยู่ที่นั่นจากนั้นก็กลับขึ้นมาเมื่อวานก็มาชำระกับคณะกรรมการชำระเงินงวดงานที่ ก่อนก่อนงวดหนึ่งก็เลือกอะไรเมื่ออุปกรณ์มาพร้อมแล้วเขาเบิกเบิกงวดงานเมื่อวานก็เลยเอาคณะกรรมการเข้าไปก็เลยเบิกงวดงานให้เขาห้าล้านเมื่อวานเบิดเบิกเป็นงวดแรกนะให้ผู้รับเหมาตึกหนีไฟโรงพยาบาลศูนย์อุดร เก้าไปเก้าไปเก้าหนึ่งบวดเบิกครั้งแรกคณะกรรมการเบริกครั้งแรกเป็นเงินห้าล้านบาทวันนแต่งานก็ตอหมอร้อยกว่าร้อยกว่าตอหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังตัดหัวตอ่อหมอกกำลังจะเทเทพื้นต่อไป ตัวมอ่อไม่ใช่ตัวม่อตื่นนะตั้งสิบห้าเมตรนะพาวัดศูนย์กลางเท่าไหร่หกสิบบ่เป็นตัวม่อใหญนะ่เพื่อจะรองรับตึกสิบชั้นนะเมื่อวานก็จัดการเรียบร้อยละเมื่อวานกลับมาถึงวัดก็ประมาณเที่ยงกว่ขวานะแต่ตามไม่จริงก็นึกคิดนึกเหมือนกันขึ้นมาที่จะได้ลงไปอีก พงงานพระราชทานเพิงศรีระพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่พิชดอูอำเภออะไรเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่อก็รับตั้งแต่นู่นตั้งแต่ก่อนออกพรรษานะรับไว้แค่ออกพรรษาพงงานกระถินวะแต่ก็ท่งก็พูดมาก่อน ก่อนออกพรรษาแล้วแ่ะพอกรถินท่านก็นมาในมนเป็นจิตญาลักษณะหลวงพ่อคิดว่า น, น่าจะไปได้กันแบ่งรับแบ่งสู้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นงานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่พิษสะดวกนะบวชกับหลวงปู่ลีกุธรรมมัทโรวัดอโศการามเป็นพระรุ่นเก่าแก่นมนานทีเดียว การมรณภาพก็จะมีพระราชทานเพลิงวันที่วันที่สิบเอ็ดวันที่สิบจะมีการเทศอบรมหรือแสดงธรรมแต่หลวงพ่อก็คงจะได้ไปก็ไปแล้วคงจะไม่นานก็คงจะกลับขึ้นมาอีกนี่แหละภาระทุระของหลวงพ่อมันอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคม ถ้าว่าเอาแต่ตัวเองอย่างเดียวไม่เหลียวแลไม่มองใครเลยมันก็ไม่ได้อันนั้นคือมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกฝ่ายพระพุทธศาสนาฝ่ายพระสงฆ์ต้องอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะมันต้องพึ่งพาอาศัยการประสานความสามัคคีในหมู่ในคณะ เนี่ยเราก็ต้องมองมองอีกมองส่วนวัดแล้วก็มองส่วนตัวมองส่วนวัดมองส่วนชุมชนสังคมเนั่ยคือถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงจริงๆก็ไปทามันมีปัญหาสุขภาพเราจะไปไม่ได้อันนั้นก็ต้องดูอีกทีนึงแต่นี่มันพอจะไปได้อยู่เอาไป แต่ถึงอย่างไรพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราทุกๆ ท, ท่านตั้งแต่หลวงพ่อนลงไปถึงจะไปที่ไหนทําอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดไว้ต้องรับภาระแต่อีกสักวันหนึ่งต้องคิดไว้ในใจอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดทิ้งภาระทั้งหมดอันนี้ต้องคิดไว้ในใจ อันนี้ก็คือเป็นการส่วนตัวเลยแ่นี่สรุปแล้วก็คือไม่ให้เราเพ่งนอกจนเกินไปช่วยภาระนอกจนเกินไปคิดภาระนอกจนเกินไปให้คิดภาระในคือใจของเราเนี่ยหมดจดจากกิเลสเรียกถ้ายังไม่จบหมดจดจากกิเลสเราก็จะต้องพิจารณาการกรองไตรตรองภาวนา เข้มงวดกวดขันกับตัเองไปเรื่อยๆถ้าว่าตัวเองหมดแล้วปลดจดจากกิเลสแล้วรู้แก่ใจก็ไม่เป็นไรพอหมดแล้วแต่ถ้าว่ายังไม่หมดเราก็ต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราให้เดินไปสู่จุดหมายปลายทางและ ก, การภาวนาการทําจิตใจให้สงบ อย่างที่หลวงพ่อได้พูดมากหลากหลายเราจะนั่งอย่างไรเราจะภาวนาอะไรจะเราจะบ ร, ร, ริกรรมอะไรสุดแท้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะให้เราภาวนาสรุปแล้วก็คือจะเอากรรมาฐานไหนจับจิตใจให้อยู่เป็นที่ประทับใจของเราพอจับเข้าไปแล้วมันอยู่นิ่งจิตใจรวมสงบอืม แต่บางคนก็บอกว่าเคยภาวนาพุโทโธแล้วมันมันยังออกไปอยู่แต่หลวงปู่ล่าเขาก็บอกเออให้กำหนดลมหายใจเข้าหายหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับดูสิเกิดตายเกิดตายเกิดดับเกิดดับเวลาเข้ามาก็เกิดเวลาออกไปมันกระดับนะครัาบพิจารณาถึงมรณะนุสติอเนจังให้เห็นอเนจังอยู่ในตัวเอง แต่บางคนก็ภาวนาจะเดินจงกรมก้าวขายังไงขาพุทธขาโทก็ได้ขาขวาพุทขาซ้ายโทก็ได้หรือกว่าขวาซ้ายขาขวาขาขวาออ ข, ขาขวาขาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายแฮะเบริกรรมอย่างนั้นก็ได้ แต่ให้มีสติในการก้าวในการก้าวเดินขวาซ้ายขวาซ้ายก็ให้มีสติอยู่กับตัวเองไม่ให้มันคิดไปทางอื่นหรือเราจะภาวนาขาขวาเราจะตั้งสมมติฐานว่าพอ่อขาซ้ายเราจะเรียกแม่พอ่อแม่คือร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะจุดเท้านี่เราได้มาจากใคร เราได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่ให้เราเรากดธนุถนอมจนใหญ่ถึงขนาดนี้แต่ใจของเราก็มาอยู่ในร่างกายนี้แต่แตามไม่จริงร่างกายนี้เรารับมาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้ให้กาเนิดเราเกิดมาจากพ่อแม่เพราะนั้นเราจะบริกรรมว่าขาขวาพ่อขาซ้ายแม่ข้อแม่พ่อแม่ แต่ให้มีสติลำลึกถึงประคุณของพ่อแม่ว่าเราได้รับร่างกายมาจากพ่อแม่อันนี้ก็ได้ใครๆว่าไม่ให้ใจมันออกไปข้างนอกนะสรุปแล้วคือมันมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองสรุปแล้วก็คือร่างกายข้าวใจของเราเนี่ยเหมือนกระหอยเสยสวนอย่างนั้นนะหอยเสยสวนเข้ามาสวมมาอยู่ในร่างกายของมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ ไปสวมเข้าเป็นช้างมา้าวัวควายมันก็เป็นสัตว์บางทีก็นัะมันสวมไปเรื่อยวิญญาณคือใจตรงนี้นะเหมือนกับเราไปเห็นหอยเสียสวนจุดชายหาดนะบางทีมันเข้าไปเข้าไปในโพรงหอยใหญ่มันก็เข้าไปสวมดูเจ้าก่อนมันพอที่จะ มันพอที่จะเข้าไปได้เมันกี้น่ะเขาไปเกาะแล้วก็ใช้เปลือกหอยตัวนั้นน่ะทั้งที่เอหอยตัวนี้มันทําไมไม่เหมือนกันแต่ที่แท้เนี่ยมันสวมตัวไหนได้มันก็สวมตัวนั้นเผลอๆมันหาที่สวมไม่ได้ยังสวมใส่กระป๋องโคกก็มีองหอยเสียสวนสวมโคกระป๋องโคกเอ้าทําไมหอยตัวนี้ถึงทันสมัยนักมันถึงเอาตัวเข้าไปอยู่ในกระป๋องโคกก็มีกระป๋อง อะไรก็มีลักษณะอย่างนั้นน่ะที่มันอยู่ถุงพลาสติกเมันก็สวมไปเรื่อยของมันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าจะว่าไปใจของเราเหมือนเหมือนนั่นแหละมันบุญวาสนาบา ร, รมีรับบุญของเราจะไปถึงที่ไหนถ้าว่าเรามีบาปแต่ว่าดวงวิญญาณตอนนั้นมันต่างจากหอยก็คือว่าดวงวิญญาณตอนนั้นมันมีบุญ หรือมันมีบาปเท่า น, นั้นแต่ทไหนถ้าว่ามันมีบุญดวงวิญญาณมีบุญดวงวิญญาณนกก็ได้เปลือกหอยหรือเปลือกดีฮนี่ยอาจจะเป็นเพล่เพลจะเป็นสวมเขา้าแหวนแหวนพิษเนนเพชรเนนกินดาเขาก็ได้ฮะเนี่ยอันนี้ก็คือหอยทอนนั้นมีมีบุญถะแต่างหอยทอนนั้นมีบาปมันก็เป็นไปถ่วยอีกเหมือนกัน อย่างวิญญาณของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะไปปฏิสนที่ในภพภูมิต่างๆได้ตามหลักของพระพุทธศาสนาเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สอนให้พวกเราว่าจะตั้งอยู่ในความประมาทนะให้สังสมให้เตรียมพร้อมเอาไว้ให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเอาไว้นะท้าพวกเรามีบุญแล้วไปเกิดในภพภูมิใดๆเกิดในที่ใด บุญกุศลจะเป็นเครื่อ ง, างพานำพาไปสู่สุขติภูมินั้นๆแต่ถ้าเรามีบาปแล้วก็บาปพาไปเหมือนกันเพราะนั้นบุญใจของเราเนี่ยมันจะไปตามลำพังไม่ได้นอกจากบุญและบาปแต่ขณะที่เราใจจะขาดนะเราจะคิดถึงอะไรก่อนถ้าเราคิดถึงบาปบาปต น, นั้นก็เข้ามา เท่าที่าเราคิดถึงบุญบุญตัวนั้นก็เข้ามาเพราะนั้นเราต้องพยายามเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่พวกเราได้ศึกษาธรรมะเราก็ต้องพยายามคิดไปนในทางที่ดีภาวนาบริกรรมเราคิดไปนในทางที่ดีในจุดนั้นอย่างที่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเป็นสลบเป็นลมอย่ น, นีหลวงพ่อเคยเป็นครั้งหนึ่ง อพอเป็นลมมันอาหารเป็นพิษทีแรกมันกับวิววิวต่อมากับมันก็เหมือนหิงห้อยออกจากตานะิ่งหิงห้อยออกจากตาพูดวา่เาเต็มไปหมดในอากาศนะหิงห้อยพอมาหิงห้อยมันตัวใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆดยเดอะมันพูดว่าผุบๆต่อมาหิงห้อยจะน้ำ เหมือนกับเป็ดเหมือนกับห่านแล้วมันบินเอไงเออมันมันมันมันบินมันในความรู้สึกมันบินวู่ว่าโป้หิงห้อยตัวใหญ่ถ้าเกินนะผลที่สุดมันไม่ใช่หิงห้อยมันสลับสีอะไรแต่เนี่ยเออสีแดงสีเหลืองสีขาวสีแสดสีอะไรมันสลับปุบปับปุบปับปุบปับเออลโลเราเออเนี่ยมันเราจะเป็นลมแล้วว่ะเออจากนั้นก่อนท้าวว่าคนที่กลัวตายมันก็ต้องคิด เนี่ยข้าตายแน่แน่ข้าไม่รู้จะไปยังไงเนี่ยข้าคิดถึงลูกถึงล้านถึงอะไรคิดไปหละแต่ผู้เคยภาวนาในจุดนั้นมันจะต้องวิ่งจุดเข้ามาหาตัวผู้รู้นะเนีมาหาตัวผู้รู้คือใจเนียยึดเลยมันจะไปยังไงมันจะเห็นยังไงกับมันเลยสนใจดูดูใจของตนเองถ้ามันจะใจขาดมันจะตายครับมันตายอยู่กับตัวผู้รู้พิจนารณาให้เกิดความเบือ่อหน่ายทว่าท่านผู้มีธรรม ท่านก็จะเข้ามาสุดจุดนั้นเป็นฐานของท่านท่านก็จะพิจารณาถึงความเบื่อหน่ายคือคลายหลุดพ้นคือท่านอยู่ในอยู่ในภพภูมิหรือในในภูมิธรรมไหนท่านก็จะเข้าอยู่ในภพในภูมิธรรมนัน้นๆของท่านนแต่ถึงยังไงถ้าเรายังไม่เคยภาวนาและวไม่เคยปฏิบัติหรือว่าเคยภาวนามาแล้วเนี่ยทางว่าเรา รวมจิตใจเข้ามาสู่จุดนั้น่จุดความสงบนั้น่ะเราไม่เพ่งออกไปข้างนอกเราไม่วิโตไม่ไ ม, ไม่ไม่กงังวลทําจิตใจให้เป็นสมาธิฮะทําจิตใจให้เน่งในช่วงนั้นอออาจจะเกิดเป็นญาณฌานานิออยานรัถนะถ้าว่าจิตใจหลุดตกจากจุดนั้น่ะพรมอพรมะไปสู่พรมแต่ถ้าว่าจิตใจของเราเนื้คิดไม่ไปสู่ กามาวาจจรคือระลึกถึงบุญกุศลที่พวกเราได้ทําไว้ได้ทําสร้างบุญได้สร้างกุศลได้สร้างอะไรเป็นบุญผีขุนที่ประทับใจในใจของเราหรือได้อุปถัมภะทากพ่อแม่หรือว่าได้อุปถัมภะทากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าได้ทําบุญทําทานในช่วงนั้นเราก็คิดถึงบุญกุศลพอใจขาดในช่วงนั้นก็ไปสู่สวรรค์อันนี้สงสีนอันนี้สงทานไปสู่สวรรค์ ั น, นสงภาวานานไปสู่พรมเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะมันถึงจุดนั้นแน่ๆต้องคิดทาไมคิดถึงจะคิดแล้วไม่คิดมันก็ต้องเข้าไปผ่านในจุดนั้นเพราะนั้นเราเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่าดีกว่าที่เราไม่คิดอะไรเลยถ้าไม่คิดอะไรเลยพอถึงจุดนั้นก็จะคุบหน้าจะคุบหลังไปเรื่อยเดี๋ยวเดือเพือเ พ, เพืพอหลุดออกจากล่างมนุษย์ไปเกิดเป็น เนีหมูหมากาไก่ไปสั่งม้าวัวควายเข้าไปเลยเสียท่านะเสียท่าอแปลว่าเกิดผิดที่ผิดทางเลยผมพนนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะที่พูดทางนี้ทางนั้นเป็นการกล่าวเตือนย้ําให้พวกเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อได้เคยย้ำตายแล้ววิญญาณจะเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น พระพูดใ้เจ้าท่านวิเคราะห์ท่านเคยปฏิบัติมาแล้วเพราะแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เหมือนกันท่านยืนยันมาแล้วหลวงตาครูบาอาจารย์ทําถ้าทําจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งแล้วนะ่ะจะรู้ได้ไม่ต้องถามใครฮะแต่เดี๋ยวนี้พวกเรายังทําจิตใจสงบไม่ได้พวกเราก็ยังสงสัยอยู่อยจังนะวันยังคำ่ำสงสัยอยู่งนะั้น่ะ แต่ถ้าว่าจิตใจสงบนิ่งลงไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นความสงสัยนั้นก็จะหายไปยพยายามทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งกายกับใจใจกับกายกายกับใจให้แยก ด, ดูดูให้ดีร่างกายนั้นคือส่วนหนึ่งคือจิตใจคือตัวผู้รู้นามธรรมอีกส่วนหนึ่งก่อนที่จะถึงจุดนั้นได้ก็นั้นภาวนาเร่องขบริกรรมค้าขวาแม่ค้าขวาพ่อ ขาซ้ายแม่เวลาลงพื้นเดินยงกลมจากนั้นก็ใครเป็นคนพูดว่าพ่อแม่นะร่างกายนะคือพ่อแม่ส่วนนามธรรมคือจิตใจที่รู้ว่าขาขาขวาพ่อขาซ้ายแม่นะคือใครเนี่นนะมันจะย้อนกขัมาหาจุดนั้นพอมาถึงจุดนั้นเราเห็นจุดนั้นจิตจุดนั้นมันไม่ปรุงไม่คิดแล้วนะจิตมันรวมจิตมันสงบเราจะรู้ได้แล้วกาย ขาขวาขาซ้ายร่างกายนี่ได้มาจากพ่อแม่จนานมามธรรมคือจิตใจนั้นเป็นอันหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในร่างของพวกเราเนี่ะรับพรนรโมทนาให้พร